แลวก็ยังมาอยู่ในหัวข้อกิจแห่งยานน่นะข้อที่หกล่าวถึงยานที่รู้อริยสัจว่ายานไหนรู้อริยสัจอะไรทีนี้มาดูยานในทุกขสัจว่าปัญญาหรือยานที่ไปพิจารณาทุกขสัจนั้นได้ยานอะไรบ้าง ชั้นแรกก่อนก็คือสวนามายายานก็คือสุตตมายายานนั่นเองเฉพาะทุกขสัตว์ะนะนีทุกขสัตว์ก่อนในหนึ่งได้สว น, าานัญญาณอย่างที่สองสัมมาสาาัญาณสามปฏิเวทยานสี่ปัจจเวขณยานในสวนามายายานก็คือญาณที่เกี่ยวกับการฟังอริยสัจโดยเฉพาะทุกขสัตว์เนี่ยนะ ฟังว่าทุกขสัตว์เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นสวัณมายะยานยานที่เกิดจากการฟังฟังว่าไงฟังว่าชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมันสุปายาสาปิทุกขาเป็นต้นคือฟังทุกขสัตว์มาอย่างละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี อย่างที่สองสัมมสัญาณก็คือเอาทุกขสัต์เหล่านั้นทั้งหมดนั่นแหละมาพิจารณาสัมมสัญแปลว่าการพิจารณาการใค ร, คร่ครวญก็ใคร่ควรวญตามที่ฟังนั่นแหละอันนี้แหละเป็นสัมมาสนญาณสัมมสนญญานั้นวิปสัสสมวิปัสนาไว้ทั้งหมดเลยเพราะวิปัสนาทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกันคือการพิจารณาทุกวิปัสนาเลยก็คือการพิจารณา พิจารณาขันท่านี่ยแหละพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสัมปโยกทุกวิปโยคทุกพวกวนี้ก็เอาทุกขสัตว์มาพิจารณาในชีวิตที่เป็นจริงซึ่งการพิจารณาพวกนี้ก็ต้องเว้นแต่การหลักอัวณะมัยาญาณเนี่ยพวกนี้ก็เป็นประเภทปรโตโขโศนะถ้าแบ่งส่วนสัมมสนญาณพวกนี้ก็โยนิโสมนัสการ จะต้องไปเจริญเอาเองต้องไปคิดไปไข้ครวนตามที่เรียนตามที่ได้ยินได้ฟังจนเพียงพออันนี้แหละที่เรียกว่าประยุกต์มาใช้ประยุกต์มาปฏิบัติในชีวิตที่เป็นจริงให้ได้ไม่รู้ว่าเห็นเด็กเดินมาก็ชาติพิทุกขาได้ก็ใช้ได้แล้วเห็นเด็กขิ่วกระเป๋าไปโรงเรียนไม่นานเนาะเดี๋ยวเขาก็แก่แล้วเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ตาย เราก็เหมือนกันเนี่ยวนๆอยู่อย่างเงี้ยนะมีแต่กองทุกข์ที่เป็นไปอะ่ะคิด ล, ลักษณะนี้มากๆใครครวนแบบนี้มากเนี่ยใครไม่เรียกทำปริญญาก็ไม่เป็นไรแต่ที่จริงนั่นแหละคี่เรียกว่าการทำปริญ ญ, ญาคือการเอาเรื่องชีวิตมักคิดนะนะคิดโดยแง่มุมต่างๆตามตามที่เป็นจริงว่าความเป็นจริงของชีวิตนั้นเป็นยังไงนับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะจากเกิดไปหาแก่เนี่ยมันแค่ไหน นะชีวิตทุกขั้นตอนชีวิตในทุกระยะทุกวัยนะซึ่งแบ่งชีวิตเป็นสาวัยใช่ไหมปรมวัยมัธยมวัยประชิมวัยพิจารณาชีวิตแต่ละวัยแล้วก็ย่อยไปอีกทุกๆสิปีทุกๆ5ปีสปี3ปี2ปี1ปีหรือชีวิตทุกๆเดือนนี่เป็นยังไงนั้นเอามาค่อยควรทั้งหมดทั้งชีวิตที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวประเนษเนี่ยพวกนี้จะต้องมาพิจารณาจริงๆ ต้องเจริญใ ห, ให้เพียงพอเลยแหละอันนี้เรียกว่าสัมมาสนญญาณหรื อ, อยานในทุกขสัพว์ที่เกิดจากการปฏิบัติขึ้นเอ ง, องทีนี้ถ้าพิจารณาเพียงพอเนี่ยผลก็จะได้ปฏิเวทยานยานที่แทงตลอดในทุกข์ก็ระดับอ น, นิมักและอริยมัติมักนนกำหนดรู้ทุกโดยโดยกิจนะไม่ใช่โดยอารมณ์โดยกิจ คือกิจนั้นเชื่อว่าได้กําหนดรู้ทุกเรียบร้อยแล้วทัา น, นปฏิเวทยา น, นี่เป็นยานระดับมัชส่วนปัจจเวคขณะยานก็คือการพิจารณาอันนี้ของพระอริยะอย่างเดียวถ้าพระอริยะเนี่ยท่านสามารถพิจารณาทุกเหล่านี้ว่าเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอะไรของท่านบ้างท่านพิจารณาแค่ไหนแล้วอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้สักกายะทั้งปวงแล้ว เพียงพอที่จะละสกายทิทิวิจิกิจฉาสีละพัตตปามมาตเพราะฉะนั้น ส, สกายะทั้งปวงจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิของท่านเลยท่านจะโคโจรไปณอารมณ์ใดก็ตามที่ใดก็ตามสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปามมา a ไม่มีท่านพิจารณาได้เลยว่าในทุกแห่งเนี้ยทิฏฐิไม่เกิดอีกต่อไปวิจิกิจฉาก็ไม่ไม่เกิดอีกต่อไป เพราะท่านรอบรู้แล้วท่านท่านทำปริญญาแล้วถ้าเป็นพระนาคามีก็ทำปริญญาในเบญจกามคุณเสร็จแล้วเบญจกามคุณที่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาเพราะท่านมานาสิกานท่านรู้เลยว่าท่านกำหนดรู้เสร็จแล้วอันนี้เป็นปัจจเวกขณะยานของท่านท่านพิจารณาอย่างทุกขเวทนาเนี่ยนะเรื่องเสียหายซึ่งปกติทั้งหลายคนเขาโสโทสะกัน พระนาคามีท่านพิจารณาว่าในสิ่งเหล่านี้นะต่อฟ้าจะผ่าท่านก็ไม่ตกใจจะไม่เสียใจมีคนเอาขวานขวานเนี่ยมาจามที่ศรีรษะท่านยังไม่โกรธเลยนะท่านทําปริญญาในทุกขเวทนาขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อท่านเชือนท่านเข็นฆ่าหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยนะท่านก็ไม่มีจิตติดข้องในนะไม่มีโทสะในสิ่งนั้นเลยหรือใครจะเอาวัตถุกรรมมา มาเรียกว่าตรนเปอรขนาดไหนใจของท่านก็ไม่ต้องการก็บอกว่าจักรพัฒ ส, สมบัติท่านยังไม่สนใจเลยถ้าเป็นพระนาคามีและระดับนะั้นท่านไม่ต้องการวัตถุกรรมโดยเฉพาะเบญจากามคุณเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสโภชพระเนี่ยท่านไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงเพราะจิตของท่านไม่ข้องแล้วเพราะท่านทําปริญญาในในเบญจาการมคุณหรือในทุกขเวทนาจนสา ม, มารถตัด กามราคะปฏิฆาได้ส่วนพระอราหันต์นี่ก็อารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งบาปอคุศลเพราะนั้นผู้ที่เจริญวิปัสนาในเรื่องเบื้อ ง, ง, งต้นแรกๆเนี่ยนะก็เข้าไปทําความรู้จักใช่ไหมแต่พระอริยะท่านก็พิจารณาวัตถุนั้นแต่พิจารณาแบบคนที่ที่รอบรู้ในเรื่องนั้นแล้วเนี่ยนะก็ต่างกันอันนี้ก็เป็นปัจเจเวคณะยานของพระอริยะทั้งหลาย แผนทุกขศสตร์นี้จึงเป็นอารมณ์ของญาณสี่ประการสวาาัณญาณญาณคือการฟังสัมมาสนญาณญาณคือการพิจารณาปฏิเวทญาณก็คือการบรรลุแต่นี่โดยกิจแล้วก็ปจเวคขณะญาณก็คือเข้าไปพิจารณาส่วนสมุทัยศัสตร์ เป็นอารมณ์ของสวรนมายาญาณก็คือสุตตมายาญาณเป็นอารมณ์ของการฟังเนี่ยนะก็ฟังก็รู้แนละ้วกามตัฐนหาเป็นอย่างไรภวะตันหา hmm. วิภวะตันหาเป็นต้นเป็นอย่างไรความติดความค้องอย่างไรเนี่ยอาศัยการฟังนี่ก็รู้อันนี้ก็เกิดจากสวรรญาณส่วนญาณต่อไปอีกก็คือสัมมาสนญาณสัมมาสณญาณก็คือญาณที่ไปพิจารณาสมุทัยสัตว์นั่นเองพิจารณาตันหา ที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ส่วนปฏิเวทยา น, นี้ก็อริยมรรคอันนี้โดยกิจอย่างเดียวซึ่งกิจอันนี้ก็ขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ชื่อว่าพิจารณาตัณหาโดยกิจสุดท้ายปัจเจเวขณะยานก็คือทบทวนว่าจะไม่มีกิเลสเกิดขึ้นอีกต่อไปในส่วนใดๆเนี่ย น, นะเช่นพระ โสดาบันประหารสมุไทยอะไรไปบ้างพระสกทาคามีประหารสมุไทยไหนพระนาคามีผ้าหารเนี่ยประหารสมุไทยใดๆท่านท่า น, นก็พิจารณาถึงสมุไทยที่ท่านกําจัดแล้วขณะเดียวกันก็ยังไปพิจารณาสมุไทยของคนอื่นด้วยเหมือนกันสมุไทยของคนอื่นเนี่ยเขาเขาเหล่านั้นถ้ายังไม่ตัดฉันทราค่าในทุกได้ฉันทราค่าเหล่านี้จะฉุดเข้าเนี่ยไปสโซวัตทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด อันพระอริยะท่านก็ยังพิจารณาอยอันนี้เป็นปัจเจกขณะยานของพระอริยะส่วนนิโรธยานโดยเฉพาะนิโรสัจจะเนี่ยนะคือพระนิพานพระนิพานนั้นเป็นชั้นเบื้องแรกเบื้องต้นก็ฟังก่อนเป็นที่ตั้งแห่งการฟังคือฟังว่าพระนิพานนั้นธรรมชาติที่ สงบประงับจากสังขารทั้งปวงทำเป็นที่สลัคืนอุปธิที่ทั้งปวงเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่สงบประงับดับวะตะเป็นต้นฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการฟังทำความเข้าใจในพระนิพพานอันนี้เรียกว่าสวัญ า, านส่วนสัมมสนญาอ น, นั้นไม่ได้มีการไปพิจารณาอย่างอื่นเป็นเอกเทศไม่มีไม่มีไปพิจารณาต่างหากก็อาศัยการฟังเท่านั้นเอง ส่วนที่เหลือก็รอบรร ล, ลุเลยนะบรร ล, ลุนี่เรียกว่าอารมณนะโดยอารมณ์นะอริยมรรคนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่เรียกว่าตรัสรู้แทงตลอดพระนิพพานโดยอารมณ์ส่วนสุดท้ายก็ปัจเจเวขณะยานยานที่ปัจเจเวอริยมรรคเออขออภยัยปัจเจเวพระนิพพานว่าพระนิพพานระดับนี้เป็นอารมณ์ของโสดาปฏิมรรค อันนี้เป็นอารมณ์ของอสกทาคามีมักพระนิพานอันเนี้ยเป็นอารมณ์ของอ น, นาคามีมักเป็นต้นท่า น, น, นก็พิจารณาถึงพระนิพานที่เป็นอารมณ์ของมักผลต่างๆนั่นนะส่วนอริยมรรคเน้นก็แบ่งออกเป็นสามยานเหมือนกันคือสวรณมายะยานยานที่เกิดจากการฟังอย่างหนึ่งนันก็ฟังเพราะว่า คำว่าสัมมาสนาเนี่ยเน้นไปที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะอริยมรรคไม่มีความจําเป็นต้องไปพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมโอ้โลกุตระมรรคก่อไม่เที่ยงเนนะมีไหมไม่มีเขาไม่มีแบบสอนแบบนั้นหรอกเพราะนั่นก็จึงไม่ต้องไปพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีของอริยมรรคอันนี้ไม่จําเป็นนะเห็นคุณอย่างเดียวเคารพอย่างเดียวกราบว่าอย่างเดียวเห็นไหมเพราะสิ่งที่มีคุณมาก ในบรรดาสังคตะธรรมอะไรที่จะมีคุณเท่าอริยมรรคไม่มีเพรา ะ, ะนั้นก็ ส, ว, สวน์อริยมกรรคก็สาวน า, านันปฏิเวทญาณก็คือในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นอันนั้นเป็นปฏิเวทญาณแล้วก็ปัจเวทขณะญาณก็คือพิจารณาอริยมรรคอันนี้กขของพระอริยะอย่างเดียวปัจเวคขณะญาณตรงนี้เน้นกับพระอริยะตรงสัมมาสนาญาณ น, นั่นแหละ บอกถึงความเป็นวิปัสนาว่าวิปัสสนานั้นสามารถพิจารณาได้เฉพาะทุกขศาสตร์กับสมุทัยศาสตร์เท่านั้นเพราะนนั้อารมณ์ของวิปัสสนาก็คือทุกขศาสตร์กับสมุทัยศาสตร์พอพิจารณาทุกขศาสตร์กับสมุทัยศาสตร์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละเป็นสัมมสาาัญญาใช่ไหมอย่างขันเนี่ย เพราะอาวิชชาเพราะตันหาเกิดขันจึงเกิดใช่ไหมพรรขันก็ไม่เที่ยงตันหาก็ไม่เที่ยงถ้าตันหาไม่เที่ยงแล้วขันที่เกิดจากตันหาจะเที่ยงมาจากไหนอันนี้แหละลักษณะนี้นเข้าพิจารณาสมุทัยศัสตร์นั้นโดยอันนี้จังเหมือนกันคงพอทบทวนได้บ้างเนาะเกี่ยวกับยาในในอริยศัสตร์เนี่ยนะ ทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ก็คืออุปาทานขันห้าน่ะถ้าเราฟังอย่างนี้นะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นคำที่ซ้ำาๆซักๆากๆแต่ที่จริงแล้วคำว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยอมอย่างอื่นเอาไว้มากมายนะ่นะอมอะไรไว้บ้างถ้าถ้าคนที่กระจายเป็นเลยนะ อันนี้ถ้าอุปาทานขันท่าถ้าสี่หละเรียกอาหารสี่ใช่ไหมท่าสามเวทนาสามาสองนามรูปถ้าหนึ่งอันน่ะสัพ เ, เ, นะเพสาตาอาหารรัติทิฏกาอาหารอาหารับติธิกเนี่ยนะทิติเนี่แปลว่าตั้งอยู่ สัตว์ทั้งปวงดำร ง, งอยู่ด้วยอาหารแล้วก็ยังขยายเป็นหมวด6อีกคืออายตนะภายใน6หมวด7ก็คือวิญญาณทิฏฐิ7หมวด8โลกธรรม8หมวด9สัตวาเก้าอายตนะ10 12องายตนะ12 18ถ้าสิเพราะฉะนั้นยังมี6มี7 8มี9มี10มี11เอ่อสิไม่มีนะสิ 12, มี18บแปดเนไนะแล้วอมอะไรอีกการสหามเนี่ยนะอดีตอนาคตปัจจุบันและยังแบ่งเป็นกลุ่มอัจฉระพหิทธะเนี่ยนะอัจฉระพหิทธะภายในภายนอกและยังแบ่งชนิด เลวประณีตแบ่งเป็นชนิดอะไรยาละเอียดเน<อ>ยแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องไกลเกี่ยวกับเรื่องใกล้เป็นต้นพันธอันนี้อมไว้ทั้งหมดพัใช้ใช้คำว่าทุกขศัพท์อย่างเดียวจริงๆมันอมคลุมจักรวานไปหมดพันธโดยทั่วๆไปเข้าจึงเรียกว่าเป็นคำที่เรียกว่า รู้กันและมาให้มันเหลืออยู่หน่อยๆก็ใช่คำว่าทุกข์กษัตริย์บ้างอุปาทานขันห้าบ้างอะไรบ้างตามสมควรทุกเหล่านี้มีอะไรเป็นแดนเกิดก็มีตัณหาเนี่ยนะไอ้ตัณ ห, นะนะหาที่มันนำเกิดเนี่ยแล้วทำไมมันจึงไปแบ่งตามนี้ได้ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะพวกนี้ยังแบ่งโดยภพสามอีก กำเนิด4ี น, นั่นคติ5พวกนี้ก็กลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยกลุ่มทุกขสัตว์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวสมุทัยเนี่ยนะเป็นทางแห่งภพส า, านี่นะทางเอ่อกล่าวว่าทางเหตุแห่งกำเนิด4ี น, นั่นนะ ทางไปสู่คติห้าพวกนี้คลุมอยู่ไว้อันเดียวคือสมุทัยศทยศจะสมุทัยเนี่ยอมพวกนี้หมดนะทางแห่งพพสามเหตุแห่งการเกิดในกำเนิดสี่แล้วก็ทางไปสู่คติห้าเพราะทุกขศัตดิ์เนี่ยอย่างคติห้าก็อมอะไรไว้บ้างนรก เปรตเดราัชานมนุษย์เทวดาเทวดานี้อมพร้ ม, มโลกไว้หมดเลยเพรานถ้ากล่าวว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยหมายถึงวัตตะทั้งหมดพร้อมทั้งต้นเหตุพร้อมทั้งต้นต่อถ้าเปรียบเทียบเหมือนสินค้าทั่ ว, วไปก็คือพูดถึงสินค้า ลักษณะของสินค้าที่มันหลากหลายในโลกอะนะเหมือนกับวัตถุในโลกพร้อมทั้งการผลิตว่ากระบวนการผลิตเนี่ยแต่ละออกแต่ละอย่างที่จะออกมาเนี่ยมันได้ยังไงเช่นกว่าจะมาเป็นไม้ได้ยังไงนะพูดถึงไม้ก็เหมือนกับมวลมวลวัตถุทั้งหลายแหละพร้อมกับกระบวนการผลิตอันนี้ก็คือกล่าวถึงว่ามวลแห่งสัพพชีวิตในโลกธาตุอนหาที่สุดไม่ได้พร้อมทั้งต้นเหตุ ในขณะเดียวกันแล้วเหตุเราเนี้ยไปทําที่ไหนเนี้ยทำอยู่ในนี้แหละใช่ไหมเพราะที่เนี้ยอย่างอย่างอย่างที่เราถ้าอยากแบ่งชีวิตดูขณะไหนเป็นทุกขสัตว์ขณะไหนเป็นสมุทัยสัตว์นะชีวิตของเราเนี้ยถ้าคิดอย่างนี้จะเข้าใจง่ายตัววิบากและกรร ม, มชรูปกลุ่มนั้นทั้งหมดเนี่ยคือกลุ่มทุกขสัตว์วินยติรูป เกิดที่ไหนนั่นแหละคือผลคือเรียกว่าอ ะ, อะไรอ่ะเป็นสัญญาณของสมุทัยสัตว์เพราะวิญญัติรูปนะกาย ว, วิ ญ, ญัติหมายถึงกายกรรมวจีวิ ญ, ญัติหมายถึงวจีกรรมถ้าไม่ล่วงวิญยติเป็นมนโนกรรมเพราะฉะนั้นพวกนี้จะถ้ามีวิญนยติรูปเมื่อไหรนะอันนั้นแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าเป็นกรรมนะกระพิบตาเป็นอะไรกรรมภุณผู้มชมกายกรรม อ่ะแล้วตัวตาจริงๆเป็นอะไรเป็นทุกขสัตว์อ่แต่กระพริบตาเมื่อไหร่อันนั้นนะต้นเหตุที่เพราะตัวทุกขสัตว์เน้นไปที่วิบากกรรมมชรูปเพราะอ่าแหล่งเดียวกันเนี่ยอย่างทวารตาเมื่อเห็นปั๊บเนี่ยส่วนไหนเป็นวิบากกรร ม, มชรูปส่วนนั้นเป็นทุกขสัตย์ที่ชัดเจนตัวเมื่อเห็นไปแล้วเนี่ยนะชาวนะที่มันเกิดขึ้นหลังจากเห็นทั้งปัญจทวารและมโนทวารอันนั้นคือกระบวนการทํากรรมใหม่ อันนั้นลกลุ่มสมุไทยแต่ว่าจะเป็นสมุไทยศาสตร์หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราจำน้นไมล่ล่ะถ้าจำนนนะมันให้ผลนำเกิดแน่ถ้าไม่จำนนละ่ะถ้าไม่จำนนก็ปฏิบัติจนสามารถบรรลุอริยมรรคก็ไม่นำเกิดก็แล้วแต่ว่าเราจะยอมให้วัตตะมันเป็นไปต่อหรือไม่เป็นไปต่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ย เกี่ยวกับทุกขษัตริ์เนี่ยจึงมีปัญญาที่มารู้มารู้ทุกขษัตริย์อันนี้ด้วยการสวนะมายะยานยานที่สำเร็จจากการฟัง น, นะส่วนฟังทั้งหมดจุดประสงค์ของการฟังก็เพื่อสัมมาสัญญายาเพื่อเอาไปพิจรารณา มันฟังอริยสัจมาตั้งหลายวันแล้วนะเนี่ยเอาไปพิจารณาวันอริยสัจได้กี่ครั้งคุณดูจินพาพระเอ่อพาทุกขสัจไปหาทุกขสัจนี่เห็นเห็นทุกขสัจไหมเห็นแต่ทุกขสัจเลยนะขึ้นตึกไหนก็ทุกขสัจหมดเลยปฏิภาันไปตรวจร่างกายมาพาทุกขสัจไปหาทุกขสัจตรวจทุกขสัจไปพิจารณาทุกขสัจสาธุอะไรก็ได้ดีแล้วนะหาทุกขสัจไปหาทุกขสัตโอ้ตรวจทุกขสัจ ทุกษัตย์ดูทุกษัตร์จะเป็นสมุทัยสัตร์อยู่ใกล้ๆนั่นแหละทีนี้การฟังกับการพิจารณาเนี่ยนะการฟังเนี่ยเป็นเรียกว่าถ้าเป็นจักสีนะฟังธรรมตรงนี้โยนิโสมนาสิการส่วนปฏิเวทยานานะปฏิเวทยานอันนี้หมายถึงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเฉพาะตัวที่ สมควรแก่ทำเนี่ยคือปฏิเวทดันั้นการพิจารณาก็ต้องให้คู่ควรแก่การบรรลุดันั้นของเราทั้งหลายอยู่ที่ว่าเมื่อฟังอริยศาสตร์แบบนี้แล้วเราเอาไปคิดได้แค่ไหนเนี่ยนะเอาไปคิดได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นถ้าเราจ ะ, ะแปรรูปทุกข์สัตว์นะถ้าเราฝึกคิดแปรรูปเนี่ยเห็นผู้การอั๊บนะั้นคิดเป็นหนึ่งก็ได้ไหมเห็นผู้การนะดำรงอยู่ด้วยอาหารสองถ้าแบ่งไปแล้วผู้การก็คือ นามรูปเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามเมื่อไรเห็นกระสอกระแสะก็แสดงว่าทุกขเวทนานะยินมแย้มแยมใสก็ทุกขเวทน า, นะาทานา้านั่งเฉยๆก็เบรคขาเวทนาพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามนะร่างกายดำรงอยู่ด้วยกับพลิงกระหารสุขทุกทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยภาษาหานี่ชีวิตที่เป็นเนี่ยรูปกามพบมาจาก มโนุสันเจตนาหารผลของมนุสันเจตนาหารพูดเมื่อไหร่ก็กําลังบริโภคมโนสันเจตนาหารมีผลต่อไปใช่ไหมจิตวิญญาณที่เป็นไปนั้นเป็นวิญญาณอาหารถ้าแยกแยะไปแล้วก็คือขันท่าถ้ากล่าวตามทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นวิญญาณที่ติประเภทมีรูป อ, อะไรเป็นกลุ่มปฏิสนธิจิตที่ต่างจากคนอื่น รู ป, ปรกายก็แตกต่างจากคนอื่นนะไม่เหมือนกันนะปฏิสนธิจิตไม่เหมือนคนอื่นร่างกายก็แตกต่างจากคนอื่นมันในโลกเนี้ยมีผู้การอยู่คนเดียวไม่มีตัวสำรองเพราะฉะนั้นก็พิเศษนะคนเราเนี่ยเกิดมาพิเศษไมไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเยนะก็น่าดีใจอยู่อย่างหนึ่งตรงนี้ใช่ไมไม่มีใครมาเรียนแบบเราได้เด็ดขาด แล้วก็พวกโลกธรรมแปดะอาพ้นโลกธรรมแ่ดไหมเดี๋ยวก็ราบเสื่อมราบยศเสื่อมยศเดี๋ยวก็ถูกชมบ้างเล้ยวก็ถูกด่าวบ้างบางทีเขาก็ว่าผู้การเป็นพ่อพระอีกพรรคหนะึ่งก็มีบางคนก็ว่าพระเทวทัตยอย่างเงี้ยนะท่นก็ก็มีทั้งเขาชมบ้างเขาด่าบ้างธรรมดาแล้วก็อะไรเนินทาสันเสริญก็รับหมดใช่ไม สุขทุกข์ก็รับลาบกระเสื่อมลาบก็รับยศเสื่อมยศก็รับเนี่ยนะก็เอาได้หมดนะนะเห็นหมดเลยส่วนสตวาดเกก็คือปฏิสนธิจิตที่ต่างกันรูปกายที่ต่างกันแบบประเภทมนุษย์เนี่ยนะซึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนอบายไม่เหมือนเทวดาเพราะงั้นนะี่ยเป็นกลุ่ ม, มนุษย์แล้วก็เป็นสิบล่ะตากระสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโททพะ ถ้าเป็น12ก็เพิ่มใจกับจิตกับสุขมรูปเจตสิกพวกนี้เป็นธรรมะนนะก็เป็นท่า18คืออะไรบ้างก็ตาสีจักคูวิญญาณหูเสียงโสตวิญญาณจมูกกลิ่นขานาวิญญาณคูณสามทวารก็เป็น18เองแหละกลุ่มนั้นเรียกว่าท่า18ก็ลองมาแปรรูปแบบนี้บ่อยบ่อยบ่อ ย, อ, ยอันนี้แหละไร้ครวนแบบทุกขศ์ศต์แต่ที่สาคัญมาก น, นะ ก็เอาลักษณะของทุกขสัตว์เข้ามาเถอะว่าเบียดเบียนใช่ไหมปีละะสันตาปณะเนะบียดเบียนเร่าร้อนถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็แปรปรวนเพราะฉะนั้นว่าย่อสรุปง่ายๆก็เกิดแก่ตายอะไรอีกเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนับและอุปายาตเดี๋ยวก็พลาดพราจากของรักบ้างประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้าง ปรารถนาไม่สมหวังบ้างถ้ามาคิดดูนะมันก็อยู่วนๆอยู่อย่างนี้แหละอันนี้คือการพิจารณาขันธ์หาโดยทุกขสัตว์เพราะนั้นการพิจารณาทุกขสัตว์อันนี้เนี่ยว่าตรงๆนะต้องต้องไม่ขี้เกียจพิจารณาต้องเป็นคนขยันเอามากเลยนะเพราะฉะนั้นคิดถึงตัวเองเมื่อไหร่ก็เอาหลักอันนี้มาคิดคิดถึงคนอื่นก็เอาหลักอันนี้มาคิดอันนี้เป็นเรียกอะไรภายในกับภายนอกแม้อดีตที่ผ่านมาก็คือสิ่งนี้่ อนาคตต่อไปก็คือสิ่งนี้ปัจจุบันที่กําลังมีอยู่ก็สิ่งนี้มันจะหยาบมันจะละเอียดก็ก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขยันเอามากๆสัมมสนาะถามว่าสัมมสนาแค่ไหนก็บอกให้มันสมควรแก่การบรรลุ ก, ก็แล้วกันถ้าพ้นถ้าคนที่พิจารณาเสร็จนะต้องเลิกมีขันห้าเป็นอารมณ์คนนั้นเรียกว่าคนพิจารณาเสร็จแล้ว แต่พิจารณาขันนี้ยังเคลื่อนไปหาขันอื่นไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างนี้นะโอ้อีกนานเห็นแล้วถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะจะเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าตัวที่เข้าไปพิจารณาคืออะไรตัวพิจารณาจริงๆนะถ้ายังพิจารณาโดยที่ไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ยังอยู่ในระบบทางแห่งภพสามเพราะการพิจารณานี้เป็นสมุทัย ตัวกรรมอ่ะนะที่พิจารณาตัวปัญญาทั้งหลายก็เป็นสมุทัยดูนะเจริญวิปัสนาถ้าไม่บรรลุเนี่ยควรจะเกิดที่ไหนดีเกิดในคันเกิดในไข่หรือเกิดในเท่าใครต่อไปมันถ้าเจริญไม่เสร็จก็ยังไอตัววิปัสสนาก็ยังนำเกิดอยู่นะดูที่คติ5ก็ได้เหลือคติสองนะมนุษย์กลับเทวดาเท่านั้นมาเป็นมนุษย์นะมาดีไหมดีไหมครูบญชูมารอบเดียว มาเหมือนเดิมหมดทุกเรื่องเดินตามรอยเก่าหมดเลยเอาก็มาอย่างงี้อีกหนึ่งมันก็จะไปยังไงอ่ะมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้ก็ธรรมดาของมนุษย์เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับมะม่วงใช่ไหมมันมันออกมาเมื่อไหร่มันก็เป็นในที่สุดก็เป็นมะม่วงเน่าอยู่ดีอ่ะลําไยมันจะออกมาเมื่อไหร่ก็ในที่สุดยางมากลําไยแห้งทนนอนไม่เจาะหมดซะก่อนก็เป็นงนี้ชีวิตทั้งสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกก็เป็นอย่างนี้แหละ พวกนี้มันเป็นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็จะพิจารณาสมุทยัยว่าไอ้ต้นตัวเหตุเองก็เป็นสิ่งเราฟังก่อนในชะฟังเกี่ยวกับสมุทยัยนี้อะไรย า, าะยานสาวณะมยายนยานที่เกิดจากการฟังพอฟังเป็นอย่างดีก็มาพิจารณาว่าแม้แต่เนี่ยตัวตัณหาที่เป็นทางแห่งภพสามเหตุแห่งกําเนิดสีทางไปสู่คติห้าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงก็เป็น สัมมสาสัญญาณเนี่ยนะก็พิจารณาจนแค่ไหนอะปฏิเวทยาณอย่าลืมว่าปฏิเวทนั้นไม่ขณะที่บรรลุเนี่ยจะต้องไม่มีทุกข์กับสมุทัยเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่าคนพิจารณาสมุทัยเสร็จเนี่ยนะถ้าพิจารณาเสร็จจะต้องไม่มีพวกนี้เป็นอารมณ์มันตรงกันข้ามกับพวกนี้ทั้งหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นคนคนเนี่ยจะต้องคิดอะไรประเภทหนังกลับเรื่อยอ่ะเป็นคนคิดแบบเนี้ยที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านอะ่ะเข้าไปเราคิดเรื่องมานะถ้าเขาคิดเป็นอกุศลเราต้องคิดให้เป็นกุศลถ้าเขาคิดเป็นกุศลอันนี้เราไม่ต้องไปคิดให้เป็นอกุศลนะอันนี้ไม่จำเป็นนะถ้าเขาคิดว่าเที่ยงเราคิดว่าไม่เที่ยงเขาคิดว่าสุขเราต้องคิดว่าทุกข์ถ้าเขาคิดว่าเป็นอัตตาล้วก็คิดว่าเป็นอนัตตา คิดตรงกันข้ามกับปุตตชนหมดเลยแต่ต้องไปคิดแบบผ้าระยะอย่างนั้นน่ยเราต้องไปเจริญแบบนั้นเนี่ยจนกว่าจะตรัสรู้ทีนี้ผู้ที่ตรัสรู้เนี่ยนะก็จะมียานที่เรียกว่าปัจเจกเนี่ยปัจเจกขณะญาณเนี่ยนะอย่างพระโสดาบันเนี่ยนะถ้าปัจเจกทุกขศาสเนี่ยปัจเจกอะไรเรียบร้อยปัจเจกในส่วนที่จะเกิดในนรกเปรต เดรชาณเนี่ยถือว่าพระโสดาบันกําหนดรู้เรียบร้อยแล้วเพราะพระโสดาบันไม่ต้องเกิดในนรกเปรตเดรฉานอีกต่อไปเห็นไหมพระโสดาบันเนี่ยเท่ากับกําหนดรู้กายะทุจริตวจีทุจริตเนี่ยนะมโนทุจริตที่ล่วงอกุศลกรรมบท10ประการที่จะนําไปส่วบายพระโสดาบัน กำหนดรู้สมุทัยเหล่านี้แล้วนะพระโสดาบันเนี่ยกำหนดรู้ทุกศาสตร์กับสมุทัยศาสตร์โดยเอกเทศใช่ไหมไม่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่กําหนดได้โดยเอกเทศกําหนดรู้ไอตัวอกุศลตัวกรรมที่จะนําไปสู่อบายพระโสดาบันกาหนดเรียบร้อยแล้วตัวอบายนะพระโสดาบันชื่อว่ากําหนดรู้แล้วพบที่แปเป็นต้นพระโสดาบันก็ชื่อว่ากําหนดรู้แล้วของเราได้อะไรบ้างแล้ว อ๋อได้สาวณามยยาณ น, นะอะก็ยังดีก็พัฒนาไปเป็นสัมมาสนยานบ้างจะดีมากกว่านี้เยอะเนี่ยนะทีนี้พอนิโรสัจจะเนี่ยนะนิโรสัจจะคือคืออย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าต้องเป็นคนคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามถ้าคิดสังขารถ้าบอกนี้พวกนี้ทั้งหมดเป็นสังขารเขาจะคิดอะไรวิสังขารสิ่งเหล่านี้ถูกปัจจัยปรุงแต่ง นี่ผ่านไม่ถูกปัจจัยตรุงแต่งพวกพวกนี้จะต้องทํามาคิดซึ่งไงตรงนี้แหละที่เรียกว่าผู้าศาสนานะจะช่วยคนอื่นไม่ได้ก็ตรงนี้แหละมันรู้จะจับมือคนอื่นคิดยังไงอันนี้หมดตัญญาจริงๆที่จะไปที่พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าพระองค์ตรัสว่าเราช่วยเขาไม่ได้หรอกอนนะเราช่วยเจริญศรัทธาเขาไม่ได้หรอกอ น, นะเราช่วยคนไม่มีศรัทธาเป็นต้นไม่ได้หรอก เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเลยนะตั้งแต่การพิจารณาคิดกลับไปกลับมาเป็นต้นเนี่ยอย่างมากก็เล่าให้ฟังอาจได้นะส่วนที่เหลือต้องไปเจริญเอาเอาคนเดียวนั้นผู้ที่จะพิจารณาฟังเรื่องพระนิพพานต้องฟังไอ้สิ่งนี้มันตรงกันข้ามกับพว่งนี้อันนั้นเป็นสวรรคญาณเกี่ยวกับการเกี่ยวกับนิโรสัจานะที่เหลือก็ต้องพิจารณาพวกนี้มากๆแล้วจะบรรลุเองไอ้ตัวพระนิพพานที่กล่าวไปเนี่ยนะพิจารณาเนี่ย สวรญญาณสัมมสนรญาณจนปฏิเวทยานในทุกกสมุทัยได้อย่างนี้นะแล้วจักแทงตลอดนิโรธยานเองแต่ว่าจะต้องฟังเอาไว้เป็นอย่างดีก่อนนะไม่ใช่ว่ามีคนมาหลอกว่ามีนะพบพบหนึ่งพบนั้นเรียกว่านิพานพิเศษมีรูปที่เหมือนอะไรนิพานที่มีรูปเหมือนเพชรเหมือนพลอยณนะที่นั่นมีแต่แก้ว ไม่มีขวดด้วยนะมีแต่แก้วมีแต่แก้วมีแต่เพชรพลอยกินอาหารได้อย่างใจนึกหมดเลยก็ขายนิพานกินกันได้นะรวยกันเยอะเนี่ยนะ